ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดอุปมาสุดท้ายเรื่องสาวอางุ่นตอนแรกครับพี่น้องครับโพจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้านะครับข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่หกครับโปรดฟังโภชนะของพระเจ้ายอห์นบทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกเราเป็นถาวอางุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแรลรักษา คะแนงทุกคะแนงที่เราไม่ที่ในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแะแนงทุกแะแนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิศเพื่อให้ออกผลมากขึ้นทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแะแนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชันใดทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น เราเป็นถาวงูนทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ที่ผู้ใดที่ไม่ได้เข้าสนิทในเราผู้นั้นจะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟนี่นะครับไม่มีครับออกมานะครับไหนจะสมบูรณ์ได้ ถ้าเราไม่รวมคำอุปมาเรื่องสุดท้ายของพระเยซูนี้ก็คืออุปมาเกี่ยวกับถาวงุ่นแท้ย้อนบันทึกอุปมาสุดท้ายของพระเยซูที่พระเยซูจะอ้างถึงพระ อ, องค์เองหรือพระเจ้าพระบิดาของพระ อ, องค์เมื่อทรงกล่าวถึงแผ่นดินสวรรค์พระ อ, องค์ก็พูดถึงเรื่องเจ้านายพูดถึงเรื่องกษัตริย์หรือแม้กระทั่งเปรียบเป็นคำอุปมาเรื่องเจ้าของที่ดิน แต่ในเรื่องสุดท้ายครับพระเยซูตัดไว้ก่อนพระเยซูสิ้นพระชนว่าเราเป็นถาวงุ่นพี่น้องครับตอนนั้นเองพระเยซูกับเหล่าสาวกกําลังเดินทางไปที่ภูเขามะกกอกเทศครับซึ่งเป็นที่ซึ่งพรปเยซูจะถูกทรยศและถูกจับกลุมในสองสามชั่วโมงสุดท้ายที่โปร่งอยู่กับเขาพี่น้องครับพระเจ้าพระเยซูนั้นทรงต้องการให้พวกเราเข้าใจว่าพวกเรานั้นจะต้องติดสนิทกับพระองค์เราจงต้องติดสนิทเกี่ยวกับเปเยซูนะครับ และพระเยซูก็อธิบายว่าเราจะติดสนิทกับพระเยซูได้อย่างไรพี่น้องครับคําสอนในวันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนเราจะไปดูกันนะครับว่าความสําคัญของการที่เราต้องติดสนิทกับพระเยซูนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราอ่านใานพระวจะนะพระเจ้าตอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะรู้ว่าคริสเตียนนั้นเป็นแขนแงครับและคริสเตียน สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดผลและต้องเกิดผลมากด้วยครับเปียซูทรงใช้ขาวางุ่นเป็นตัวอย่างว่าการเกิดผลนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไงองุนนั้นเป็นตัวอย่างที่ชาวปาเลสไตน์คุ้นเคยเป็นอย่างมากครับผู้เผยวจะนะได้ใช้องุนเป็นสัญลักษณ์สำหรับชนชาติอิสราเอลมานานนับศตวรรษก็แปลว่านานหลายร้อยปีทีเดียวปรากฏอยู่ในเสดีบทที่แปดสิบข้อแปดครับหรือในเยเรมีบทที่สองข้อยี่สบเอ็ด ซึ่งเราพบ ว, ว่าความสําคัญของอ ง, งุ่นนี้สําคัญถึงข น, นาดที่ว่าหน้าประตูพระวิหารในเยรูซาเล็มนั้นยังมีรูปแกะสลักเป็นเถาองุ่นทองคําอันสวยงามเป็นทองด้วยนะครับนอกจากนั้นตามภูเขาก็เต็มไปด้วยสวนองุ่นครับเกือบทุกบ้านจะต้องมีระแนงไม้ปลูกเถาองุ่นไว้อยู่ใกล้ๆบ้านของเขาบ้านหลังเล็กๆบางบ้านก็จะมีเถาองุ่นปลูกอยู่ในสนามเล็กๆข้างบ้านในสวนเพื่อให้ร่มเงาและ ให้ผลเมื่อเถาวงุนเจริญเติบโตเต็มที่การปลูกอ ง, งุ่นนี้นะครับหรือว่าคนที่มีสวนอ ง, งุ่นอยู่ในบ้านเนี่ยนะจะต้องมีการเอาใจใส่อย่างมากครับจากคนสวนหรือผู้ที่ดูแลสวนหรือแม้กระทั่งเจ้าของสวนซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นดินที่ปลูกต้องสะอาดจริงๆครับจามีการเตรียมพื้นดินอย่างดีก่อนจะปลูกเมื่อเวลาปลูกนั้นก็ต้องใช้ต้นอ่อนของมันปลูกครับในสวนองุ่นพวกเขา ก็จะปลูกต้นอ ง, งุ่นให้ห่างกันประมาณสิบสองฟุตเพราะว่าต้นอ ง, งุ่นนั้นโตเร็วมากและแตกกิ่งก้านสาขาคลุมดินไปหมดชาวสวนนั้นจะต้องเอาไม้ละแนงครับให้ต้นอ ง, งุ่นมันเรื้อยนะครับชาวสวนที่ดีเขาก็จะไม่ยอมให้อ ง, งุ่นออกผลเป็นเวลาสามปีหลังจากที่ปลูกครับในระหว่างช่วงสามปีเขาต้องลิดแขนงอย่างระมัดระวังและต้องหมั่นดูแลตัดใบที่เหี่ยวใบที่เหลืองออกเพื่อให้ต้นอ ง, งุ่นแข็งแรงครับ พี่น้องครับเราจะต้องใส่ใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาต้นองุ่นดูแลต้นองุ่นเพราะเราจะได้เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าถึงจะต้องให้คริสเตียนติดสนิทอยู่กับพระเยซูดังนังครับเรากลับมาดูนครับการที่พระเยซูตรัสว่าเราเป็นแถวหุ่นแท้พระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษามีความหมายยังไงครับก็คือว่าพระเยซูกําลังบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ดูแลรักษา พระเจ้าเป็นเจ้าของพระเจ้าเป็นคนปลูกและพระเจ้ากํากับดูแลนะครับแถาองุ่นนี้ซึ่งแถาหงุ่นนี้หมายถึงพระเยซูครับและแถวหงุ่นก็จะแตกเป็นแขนงหงุ่นนะครับพระเยซูตรัสในข้อที่ห้าว่าเราเป็นเถวหงุ่นทั้งหลายเป็นแขนงนะครับพระเยซูตรัสกับเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้เช่นเดียวกันครับว่าเรานั้นเป็นแขนงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่เชื่อนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าในข้อที่สองครับขนงทุกแขนงที่เราในเรานะครับขนงทุกขนงในเราคําว่าในเราก็คือว่าเป็นแขนงที่อยู่ในเทวะงุนแท้ซึ่งก็คือพระเยซูนะครับเราทั้งหลายเป็นขนงที่อยู่ในพระเยซูนั่นหมายความว่าเป็นคริสเตียนเป็นคนที่บังเกิดใหม่เป็นผู้ที่เชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกับอุปมาเทาะงุนแท้ที่ไม่ ที่แตกออกเป็นแขนงนะครับเา้าุ่นคือพระเยซูแขนงคือพวกเราและเรานะครับบางคนอาจจะไม่เกิดผลได้ครับแต่เราบางคนที่ไม่เกิดผลนั้นจะต้องได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับพ ร, พระเยซูบอกว่าพระเจ้าพระบิดานั้นเป็นผู้ที่ปลูกต้นเอางงุ่นและทรงประทานพระบุตรของพระองค์ก็คือพระเยซูให้มาเป็นเถานะครับพระเยซูก็เป็นพระผู้ช่วยรอด และโปร่งจัดเตรียมหนทางอย่างระมัดระวังเพื่อให้พระบุตรของโปร่งเข้ามาในโลกนี้ผู้เอยพระชนะแต่ละคนแต่ละท่านเป็นผู้ที่ช่วยพระเจ้าในการเตรียมดินแต่หลังจากที่พระเจ้าพระเยซู เ, เสด็จมาแล้วนะครับก็มีสถานที่สําหรับเราบนเถาอางุ่นนี้บรรดาผู้เชื่ออย่างเรานะครับก็เปรียบได้เป็นแขนงองุ่นและเติบโตขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่พระเยซูได้ประทานชีวิตให้กับเราเพียงครับ พระเจ้าก็ยังคงเป็นผู้ดูแลรักษาถาวงุน่นนี้การเก็บเกี่ยวผลจากอางุ่นก็เพื่อพระองค์คะแนงเกิดผลได้พอได้รับกา ร, รบำรุงเลี้ยงจากเถาวงุ่นซึ่งนําเลี้ยงส่งอาหารที่จําเป็นมาให้แก่คะแนงก็คือพวกเราทั้งหลายทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นคะแนง น, นะครับจะต้องออกผลต้องเกิดผลครับเบียซูไม่ได้อธิบายความหมายของผลในคำอุมาลนี้แต่ในพระอภิภีใหม่ตอนท้ายได้อธิบายไว้เยอะแยะครับ ไม่ว่าจะเป็นการาเทียบทที่ห้าเขายี่ิบสองคือผลของพระญาณบริสุทธิ์นะครับคริ ป, ปีบท 1, 9, 10, บที่หนึ่งข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบและโคโรสีบทที่หนึ่งข้อที่เก้าข้อที่สิบนะครับพี่น้องครับลองมาฟังดูครับพระวจนะของพระเจ้านั้นได้พูดอย่างไรโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายทั้งหลายได้ตายจากรมบัญญัติทางพระกายของพระคริสเพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว เพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าโรมันที่เจ็ข้อสี่นะครับพี่น้องครับในข้อที่สองนี้เรารู้ว่าเราเป็นขแขนงที่อยู่ในพระเยซูแต่มีบางขแขนงไม่เกิดผลครับถ้าขแขนงไหนไม่เกิดผลพระเจ้าจะตัดทิ้งข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าคนค น, นั้นจะสูญเสียความรอดของเขานะครับพี่น้องครับโปรดฟังกั น, นครับข้อที่สองนี้ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะสูญเสียความรอดของเขา ข้อในพระผีกล่าวว่าชัดเจนนะครับในยามบทที่สิบข้อยี่สิบบอกว่าเราให้ชีวิตนิรันต์แก่แกะนั้นแก่นั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้นี่คือคำตัดของพระเยซูครับยังไงก็ตามผู้ที่อยู่ในพระเยซูนะครับจะไม่หวันพินาศแม้ว่าเขาจะเป็นแขนงที่ไม่ออกผลก็ตามแต่แต่ครับพี่น้องครับมีผลที่ต่อนเนื่องจากการไม่ออกผลนะครับต้องถูกอะไรครับต้องถูกตัดออก นะครับส่วนแขนงที่เกิดผลจะต้องถูกริดครับถูกตัดกับถูกริดนี่ไม่เหมือนกั น, นครับถูกริดเพื่อใเกิดผลมากขึ้นนะครับถูกตัดออกก็คือไม่เกิดผลจริงๆแล้วนะครับปล่อยไปก็ไม่เป็นประโยชน์ครับเพราะงั้นการตัดออกนี้ก็เป็นบุคคลที่ไม่เกิดผลเป็นคริสเสียนในคิดจักรที่ไม่เกิดผลนะครับขาดความชื่นชมินดีไม่มีพลังในายามพบกับความกดดันเกิดความท้อถอยท้อแท้ล้มเลิกนะครับ ชีวิตไม่มีความหมายอันนี้คือเป็นอาการของคริสเตียนที่ไม่เกิดผลและดูเหมือนว่ากําลังจะถูกตัดออกแต่ถ้าหากว่าถูกตัดออกแล้วนะครับพี่น้องครับน่าเสียดายเสียใจมากทีเดียวเพราะอะไรครับ<ม>เพราะว่าอ น, นาคตของเขาก็คือไปเผานะครับและก็เผาไฟครับฤกษ์แขนงนะครับเราจะมาดูคําว่าฤกษ์แขนงต่อไปฤกษ์แขนงนั้นจะทําทุกๆเดือนธันวาคมเดือนมกราการฤกษแขนงหมายว่า จะต้องตัดเอาใบแห้งและส่วนที่เป็นโรคทิ้งไปครับและต้องตัดเอาหนวดหรือสิ่งที่เกินออกมาบนแขนเพื่อให้แขนนั้นแข็งแรงทำไมต้องริดครับเพื่อที่จะให้เกิดการหล่อเลี้ยงที่เพียงพอนะครับสำหรับแขนนั้นเพื่อที่เกิดผลในเวลาต่อไปเพราะฉะนั้นการริกแขนงนั้นเป็นวิธีการที่เจ้าของสวนหรือผู้ดูแลผู้กำกับนะครับจะทำให้แขนนั้นเกิดผลมาก นะครับเพราะฉะนั้นการริดแข น, นก็เป็นวิธีการของพระเจ้าที่ทําให้คริสเตียนเข้มแ ข, ข็งครับนะครับการริดนั้นอาจจะเจ็บปวดบ้างเพราะว่าจะต้องตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตนะครับออกจากแขนง น, นั้นในข้อที่สามครับพระเยซูกล่าวถึงข้อความนั้นว่าพวกอัครสาวกโดยตรงเลยครับถึงถึงพวกเขาโดยตรงเลยคล้ายกับว่าพระเยซูขัดจังหวะขึ้นมาระหว่างกําลังเล่าคําอุปมาอยู่เพื่อบอกเขาให้รู้อย่างชัดเจนว่าพวกเขา ได้รับการชําระแล้วพี่น้องครับนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่พิชูดว่าแขนงนะครับก็คือบรรดาผู้ที่ได้รับการชําระแล้วนั่นหมายความว่าเป็นเครื่อเตียนแล้วเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วแต่ไม่ยอมเกิดผลนะครับบางคนก็เกิดผลน้อยแต่ก็มีคนที่เกิดผลมากครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งแขนงออกเป็นสามประเภทด้วยกันแขนงที่ไม่เกิดผลแขนงที่เกิดผลน้อยนะครับหรือธรรมดาและแขนงที่เกิดผลมาก เราเห็นว่าพระเจ้าเปียสูปรารถนาที่ให้เราทั้งหลายเป็นแขนงที่เกิดผลมากและเคล็ดลับของการเกิดผลมากก็คืออะไรครับก็คือว่าเราจะต้องเข้าสนิทในข้อที่สี่ครับเปียสูตรัสว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านคําว่าเข้าสนิทนะครับปรากฏถึงสิบเอ็ดครั้งในบทนี้ครับและปรากฏอยู่ในพระธรรมยอถึงสี่สิบครั้งด้วยกันนะครับมีความหมายว่าการเข้าไปอยู่ในที่ที่หนึ่งครับมีความหมายว่า เป็นการสนิทสนมนะครับแล้วก็มีการคอนเน็กตหรือติดต่อกันอย่างต่อเนื่องพระเยซูทรงอธิบายโดยใช้เท้าอางุ่นเป็นตัวอย่างครับและพระเยซูบอกว่าแขนงองุ่นนะครับจะไม่เกิดผลถ้าแยกจากเท้าชั้นใดผู้เชื่อก็จะไม่เกิดผลถ้าเขาไม่ติดสนิทกับพระเยซูอย่างมั่นคงนะครับฉันนั้นนะครับ พระเยซูตัดไว้ในข้อที่ห้าชัดเจนนะครับว่าผู้เชื่อจะไม่สามารถบรรลุความสําเร็จใดๆเลยถ้าปรสศจากฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ให้สังเกตนะครับว่าพระเยซูตัดคําว่าเกิดผลมากครับพี่น้องเกิดผลมากพระเยซูต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนเกิดผลมากอย่าเป็นแขนงที่ไม่เกิดผลนะครับหรือเกิดผลน้อยเพราะว่าไม่ใช่เป็นความปรารถนาไม่ใช่เป็นน้ำมัไทยของพระเยซูที่จะให้เรา เกิดผลน้อยหรือไม่เกิดผลแต่เป็นความปรารถนาในพระทัยของพระเยซูที่จะให้เราเกิดผลมากครับพี่น้องนะครับการติดสนิทกับพระเยซูนั้นก็เหมือนกับเป็นแขนงที่รับน้ําหล่อเลี้ยงจากเถานะครับน้ําจะขึ้นมาจากรากนะครับแล้วก็ขึ้นไปยังเถาแล้วก็ไปยังแขนงต่างๆคริสเตียนจะได้รับการหล่อเลี้ยงในวิธีเดียวกันครับก็คือมาจากรากนะครับขึ้นมาเป็นเถาแล้วก็เป็นแขนงเพีองครับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนนะครับกับใครก็ตามแต่นะครับบุคคลที่ไม่เข้าสนิทในพระเยซูจะต้องถูกเอาออกจากสวนเงินเหมือนกับขแขงที่ไม่เกิดผลครับเพราะว่าแขนนั้นไร้ประโยชน์อย่างคริสเตียนที่ไม่เกิดผลนะครับนานๆเนี่ยจะถูกเอาออกจากขแขนครับจะถูกเอาออกจากเถ้าครับแล้วก็จะถูกตัดออกนะครับในข้อทกบอกว่ า, วาขแขนนั้นจะเหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟครับ ประชาชนในสมัยนั้นเข้าใจตัวอย่างนี้ดีครับเพราะว่าไม้ที่เอามาจากขาวงุ่นนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ครับไม้เหล่านี้ไม่สามารถจะทําเชื้อเพลิงที่ดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับหลายหลาคนบอกว่าไฟนี้เป็นไฟนโลกแต่ไม่ใช่ครับไฟนี้ก็คือเป็นการชําระหรือว่าเป็นการพิสูจน์นะครับว่าใครเป็นอย่างไรนะครับเหมือนอย่างที่เราเราเราเร า, เราพบในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับบอกว่าไฟนั้นก็จะพิสูจน์การงานของทุกคนครับว่า เขานั้นเป็นเพชร น, นะครับเป็นทองนะครับหรือเป็นสิ่งที่มีค่านะหรือเป็นไม้ย่าแห้งฟางที่เผาไหม้ไปได้ถึงครับคริสเตียนที่ขาดการหล่อเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณจิตวิญญาณเขาเนี่ยจะค่อยๆตายตายไปเทียบน้อยนะครับตายไปเทียบน้อยแววตาของเขานั้นก็มองหม่นปัสแจกความขิ้นชุมิยดีนะครับและคริสเตียนที่ขาดการหล่อเลี้ยงบางทีอาจจะหยุดความสัมพันธ์กับผู้เชื่อคนอื่นๆด้วยเขาไม่อยากไปโบสถ์ เขาเหมือนกับขนงที่จะถูกโยนทิ้งออกจากสวนองุ่นกับนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายมากนะครับเพียงครับในวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆของขนงนะครับได้แถวองุน่นนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูต่อไปนะครับว่าการเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์นั้นทําอย่างไรขอพระเจ้าได้ทรงช่วยพวกเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้อาเมน